ทำใธิกันสักพักนึ่ง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 หายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้ป้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้ป้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายจะสังขารให้ลำงับอยู่ หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออก ภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ย่อมละความระลึกและความดําริอันอาศัยเลือนเสียได้เพราะละความระลึกและความดํารินั้นได้จิตของเธอก็ตั้งอยู่ด้วยดีสบงบประงับอยู่ด้วยดี เป็นธรรมเอกปุตมีขึ้นเป็นสมาธิอยู่ในภายในนั่นเทียวภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุนั้นก็ชื่อว่าจเจริญกายยัตาสติภิกษุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้น เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ปิกษุดนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้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 ปิกสุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเมื่อจิตของเราตั้งมั่นดีแล้วรัตตากฎ ให้เราเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นนั้นเป็นอย่างดนะีเข้าไปเพ่งเฉพาะเพื่อให้เห็นอะไรพระองค์ต้องการให้เราเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดคืนเห็นสัจจะ ความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไป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 ความรู้สึกตัวาธาตุรู้หรือความรู้สึกหรือที่เรียกว่าจิตของเราที่รู้อยู่กับลมนั้นมันจะมีการเกิดการดับอยู่ตลอดเวลาขณะที่เราเอาจิตของเราหรือวิญญาณขันมารับรู้ลมหายใจเข้าออกหนึนเวลาหนึ่งความรู้นี้จะดับไป เมื่อจิตหรือาธาตุรู้ความรู้ตรงนี้ดับไปสัตตานังผู้ที่หลงยึดวิญญาณอยู่ยังพอใจในวิญญาณยังมีความอยากในวิญญาณก็จะเข้าไปยึดถือวิญญาณดวงใหม่ต่อไปจึงทำให้เกิดความรู้สึกถึงการมาการไปในจิตว่าจิตเราเนี่ยมีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวกลับเข้ามา นี่คือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการให้เราเห็นว่าจริงๆจิตนั้นก็ไม่ใช่ของเรา <c oughs> จิตนั้นเป็นเพียงาธาตุรู้ไม่ใช่ชีวิตอะไรไม่รู้เรื่องอะไรรู้ขึ้นมาแล้วดับไปรู้ขึ้นมาแล้วดับไป สิ่งที่มันเข้าไปรู้ได้ก็คือเข้าไปรู้เปทนาเข้าไปรู้สัญญาสังขารเข้ามารู้ที่ลูกบ้างจิตนั้นจะเวียนรู้อยู่ในสี่ธาตุนี้ ขณะที่จิตละการรับรู้จากลมหายใจให้เรามีความรู้ตัวแล้วออกกลับมารู้ลมหายใจอีกครั้งหนึ่งอย่าปล่อยให้จิตเพลินไปกับอารมณ์อื่นๆความคิดที่เกิดขึ้นมาจะปรุงไปเรื่องอะไรก็ตามให้คิดซะว่าเวลานี้ เราจะไม่คิดเรื่องอะไรไม่กังวลเรื่องอะไรไม่อยากไปรู้อะไรไม่อยากใคร่ควรวญอะไรเราอยากรู้แค่ลมหายใจที่กำลังไหลเข้าไหลออกถ้าจิตมันเคลื่อนออกไปก็ให้กลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมสร้างความพอใจตรงนี้ความพอใจในการอยู่กับลมหายใจเข้าออกเสียก่อน ด้วยการทำเพียงเท่านี้ก็ชื่อว่าเรากำลังเพียนเผากิเลสเรากำลังเผาภวะตัณหาความอยากในการสแสวงหาพบสแสวงหาการเกิดใหม่ ตัวเราของเราไม่ได้มีแค่รูป ก, กายหรือก้อนกายที่นั่งอยู่นี้เท่านั้นเรายึดถือซึ่งจิตหรือวิญญาณหรือใจด้วยนะอันเดียวกันเรายึดถือซึ่งเวทนาด้วยคือความรู้สึกสุข ท, ทุกข์อัทุขขมสุขคือไม่ทุกข์ไม่สุขเรายึดถือซึ่งสัญญาคือความจำได้หมายรู้ด้วย เรายึดถือซึ่งสังขารความปรุงแต่งด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นความเป็นตัวเราของเราขณะที่ก้อนกายที่เราก็เป็นเรานั่งอยู่ความเป็นเราซึ่งมีอยู่ในจิตก็มีการเคลื่อนออกไปเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่ เรามาศึกษาความเป็นเราว่ามีอะไรบ้างและธรรมธาตุเหล่านี้ทำงานกันอย่างไรก็คือจิตของเราเนี่ยจะวนอยู่ในสี่ธาตุวนรู้อยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารความรู้นี้พระองค์ตรัสว่าเป็นความรู้ของพระโสดาบัน เป็นอสาธาระยานยานคือความรู้ที่ไม่มีในคนทั่วไปมีเฉพาะผู้ที่เข้ามาดูจิตดูกายของตนเองจะเห็นการทำงานของธรรมชาติเหล่านี้ความรู้นี้เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานเป็นไปพร้อมเพื่อความรู้แจ้ง พระองค์จึงตัดว่าโสดาบันนั้นจะรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมทาตุนี้การที่เราจะเห็นอย่างนี้ได้ก็เนื่องจากการที่เราเอาจิตของเราหรือวิญญาณขันนี้มาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือกายของเราเอง พระองค์จึงเรียกกายะคตาสติสติคือการระลึกได้ระลึกได้โดยอาศัยกายเป็นเครื่องระลึกให้จิตระลึกรู้อยู่กับกายการที่ระลึกรู้อยู่กับกายนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะมีอุปทานในกายเพียงอย่างเดียวแต่พระองค์บอกว่าอาศัยกายเป็นเพียงเครื่องระลึกเท่านั้น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 ได้บัญญัติแล้วแก่หมวดธรรมเหล่าไหนเล่าพระอนุ์ตอบว่าบัญญัติขึ้นแก่หมวดธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเราก็มาตรวจสอบความจริงตรงนี้ทุกอย่างภายในจิตของเราไม่สามารถตั้งอยู่ได้คงที่ตลอดไปมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาแม้ใครจะทำสมาธิตั้งมั่นได้มากเท่าไหร่ก็ตามจิตก็ยังมีการถึงซึ่งความดับไปเป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง <c oughs> สิ่งที่มีความดับเรียกว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ ทุกขังคือการดับการแตกสลายหรือเรียกว่านิโรธพระองค์จึงบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สภาวะใดก็ตามที่มีการแปลเปลี่ยนสภาวะนั้นจะต้องถึงซึ่งความดับไม่เวลาใดเวลาหนึ่งแน่นอนสิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตานั่นคือธรรมชาติที่เกิดมาแล้วแปรเปลี่ยนและดับไปพระองค์เรียกสิ่งนั้นว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนจริงจะว่ามีจริงก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่แต่มีขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและ ดับไปเพราะเหตุปัจจัยเช่นเดียวกัน ควรธรรมะถ้าเราจะใกล้ควรก็ใกล้คลวนอยู่ในกรอบของความเป็นอนิจจงความเป็นทุกขขังความเป็นอนัตตาสิ่งที่ไม่เที่ยงมีเหตุปัจจัยอะไรก็คือต้องมีการเกิดปรากฏสิ่งที่มีการเกิดขึ้นมาแล้ว มันจะเข้าไปสู่กฎของความไม่เที่ยงคือความเป็นอนิจจ์คือความแปรเปลี่ยนนั่นเองหรือเรียกอีกอย่างว่าวโยปัญญายติมีความเสื่อมปรากฏดังนั้นความเสื่อมมีได้เพราะการเกิดปรากฏหรือการเกิดที่ปรากฏขึ้นแล้ว ย่อมนำไปสู่ความเสื่อมและสิ่งใดที่เสื่อมและมีความเสื่อมอยู่เรื่อยๆไม่หยุดเสื่อมสิ่งนั้นจะต้องเดินไปสู่ความดับไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งจึงพูดได้ว่าความดับมีเหตุมาจากความเสื่อมหรือความเสื่อม มีผลทําให้เกิดความดับปรากฏขึ้นจึงพูดโดยรวมได้ว่ามีการเกิดปรากฏมีความเสื่อมปรากฏและมีความดับปรากฏสภาวะที่มีอาการแบบนี้ ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นั่นเองและสิ่งใดที่มีสภาวะนี้คือเกิดขึ้นมาแล้วเสื่อมไปและดับไปนั้นพระองค์เรียกสิ่งนี้ว่าอนัตตา นี่คือความหมายของคําว่าอนัตตาจึงมาจากสิ่งที่มีการแตกสลายความแตกสลายมาจากความเสื่อมคืออนิจจงความเสื่อมจึงมาจากการเกิดที่ปรากฏขึ้น สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา <c oughs> เพราะขณะที่มันดับไปนั้นเราผู้สังเกตไม่ได้ดับไปด้วยสิ่งใดที่เกิดมาแล้วเสื่อมและดับไป ที่วนเวียนอยู่ภายในจิตเรานั้นเราก็ยังเป็นผู้รู้ผู้เห็นซึ่งสิ่งเหล่านั้นอยู่ตามความเป็นจริงไม่ได้ดับไปพร้อมกับมันความรู้ตรงนี้พระองค์เรียกเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสโธหมัสสมิ นั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเราจึงต้องมีเวลาพอที่จะดูการทำงานของธรรมชาติเหล่านี้ดังนั้นเวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็ตามความมุ่งหมายก็เพื่อ เข้ า, าเฝ้าดูธรรมชาติเหล่านี้การทำงานของมันให้เห็นตามความเป็นจริงปัญญาตรงนี้จะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดดับก็จะเป็นสิ่งที่เกิดดับไปสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับก็จะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับ เราจะเข้าใจสภาวะของสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับและจะเข้าใจสภาวะของสิ่งที่เกิดดับชัดเจนจนสามารถแยกได้ซึ่งทั้งหมดมีอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นพระองค์จริงบอกว่าในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้ ที่ยังประกอบด้วยสัญญาและใจนี้เองเราได้บัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกความดับไม่เหลือของโลกและหนทางเข้าถึงความดับไม่เหลือของโลก ก็ค่อยๆ อ, ออกจดสมาธิมาแล้วก็ได้นั่งสมาธิกันมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ปาราบความเพี่ยนเผากิเลส <นะ S 1> ถ้ามีเวลาอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทางา น, นมีเวลาว่างแม้เพียงเล็กน้อยช่วการเพ่งรัดนิ้วมือเราก็สามารถที่จ ะ, จะเจริญสมาธิภาวนาได้ดูจิตของเราได้ ไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนก็ให้เราสังเกตจิตของเราอยู่เลื่อยๆตลอดเวลาเราทำให้มากเราทำให้บ่อยกระทำให้เป็นญาณดุดเครื่องนำไปทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียนตั้งไว้เนืองเนื่องเพียนเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียนปารบสม่าเสมอด้วยดี ยมยมแฟนนะหรือยมสุภัตราแก็เออก็แจ้งแจ้งมาว่าเอ่อกำว่าเจ้าชายสิทธิ์คำชื่อว่าสิทธัตถัก็น่าจะเป็นสาวกภาสิท เราก็เลยไปเขาก็สืบคน้นก็บอกยังสืบค้นไม่เสร็จเราก็เลยไปสืบค้นด้วย อ, อย่างในนี้ก็เราก็คีคำบาลีเข้าไปสิท ธ, ธ ะ, ะอย่างนี้เราค้นด้วยภาษาไทยแล้ว ออกมาเป็น อ, อยู่ในสุดตัาตๆเล่มที่32สองกับส3สาซึ่งจำนวน60กว่าหน้า<ม>ก็เป็นสาวพพาสิทธ์ทั้งหมดมก็เลยเช็คกลับไปบาลีทีนะก็ออกมาลักษณะเดียวกันคืออยู่ในเล่มที่32สองกับส3สอ่า ยังไม่ได้ดูในแต่ละเล่มนี้หรอกซึ่งต้องดูในแต่ละเล่มแล้วก็พลิกกลับมาแต่ถ้าเทียบเคียงกับภาษาไทยที่ดูทุกเล่มแล้วนะซึ่งก็อยู่ในเล่ม32กับ33เหมือนกันไม่หลุดไปอยู่ในเล่มอื่นเลยก็จะเป็นสาวกภาสิทธ์ทั้งหมดเลยนะนะก็ย้อนกลับไปดูที่ <c oughs> <c oughs> อุตตวัติจากพระโอษฐ์ที่ ผู้เจ้าบอกประวัติของท่านเองก็ไม่ได้บอกว่าท่านชื่อสิทธัตถนะอีกนก็ไม่มีตรงนี้อีกหรือที่พระองค์พูดถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็จะมีบอกชื่อกัสปะบ้างวิปัสสีบ้างนะเกิดในโคตนะกัสปะโคตบ้างแต่พอ มาถึงพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็ไม่ได้พูดชื่อของพระ อ, องค์อีกแต่พูดว่าอยู่ในโคตมาโคตแต่จะมีผู้เจ้าองค์ก่อนที่พูดถึงนะก็คือชื่อกับโคตเนี่ยชื่อเดียวกันชื่อกัสปะแล้วก็อยู่ในกัสปะโคตอย่างนี้นะก็เลยเป็นไปได้ที่ทั้งชื่อกับทั้งตระกูลของท่านอาจจะอันเดียวกันอย่างผู้เจ้าองค์ก่อนนั้นก็ได้ แต่ก็ไม่ได้บอกชื่อนะก็ถ้าเจอคข้าวๆตรงนี้ก็ยังเป็นสาวกพาสิบทั้งหมดนะอ่ า, อาสมณรามเหล่าอื่นเขาก็จะเรียกพระพุทธเจ้าว่าโคตมะโคตมะโคตโมนะนะหรือภาษาไทยเราเรียกโคดมนะยนี่ีอนะ่าสมณะ โคดมหรือว่าอาวุโสโคตม ะ, ะพวกปริภาชกหรือเรียกว่าพันเตนะพวกที่เคารพหน่อยก็เรียกพันเตพวกที่ไม่ค่อยเคารพก็จะเรียกอาวุโสนะคำว่าอาวุโสแต่ก่อนเขาก็ใช้ในหมู่นักบวชกัน ก็จะเป็นลักษณะของความรู้สึกที่เสมอเสมอกันเหมือนกันบบุุษคนหนึ่งก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าก็จะบวชกับพระเจ้านี่แหละก็รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่เมืองนั้นเมืองนี้แล้วก็กำลังเดินทางมาแต่ปรากฏว่าเดินทางมาก็พักอยู่ที่ลงนาก็ปรากฏว่าพักอยู่ลงนากับพระเจ้าพอดีนะ พรูเจ้าก็เห็นว่าเอ๊ะบรรชิตคนนี้นี่นั่งสมาธิตลอดเลยนะตาลบความเพียรดีก็เลยคุยด้วยก็อบอกว่าท่านศรัทธาใครนะนับถือคำพูดใครนะเขาบอกเนี่ยเขาศรัทธาสมณโครัวดมกำลังเดินทางไปหาแล้วคุยแต่ไม่รู้ว่าคุยอยู่กับพระเจ้า พระเจ้า ก, ก็เลยบอกว่าเอ อ, เอนะบวชคนนี้นี่บทอุทิศเพื่อเราฉะนั้นเราจะอนุโลมเขาหน่อยก็เลยให้ธรรมะบอกเราจะให้ธรรมะกับท่านเขาบอกอ่ะอวิโสเชิญให้ไปนะพระเจ้า ก, ก็ให้ธรรมะไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวทั้งปอให้มากขึ้นมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกเลยว่าพระเจ้าแน่เลยที่พูดอย่างนี้นะอ่าเพราะว่าคำพูดเนี่ยมันจะ ไม่เหมือนกับคนทั่วไปก็เลยกราบแทบเท้าแล้วก็บอกว่าตัวเองได้เป็นคนพันคนลงนะไดะ้กราบว่าอาวุโสพูดไปเลยอย่าง น, นี้ก็ขอโทษผู้จ้างแล้วก็ก็ขอบวชในธรรมินัยของพระองค์นี่ก็เป็นเหตุปัจจัยให้เราทราบหลายๆอย่าง เนการเรียกกันในครั้งก่อนแล้วก็บางทีอยู่กับพู้เจ้าก็ไม่รู้ว่านี่คือพระเจ้า <c oughs> นอันนี้พวกเราก็สื่อคนกันเองได้นะคีย์คำที่สงสัยเข้าไปในช่องตรงนี้นะแล้วก็สแกนหาปุ๊บเนี่ยมันจะบอกไปว่าอยู่คำคำเนี้ยถ้ามีเนี่ย เจออยู่ในเล่มไหนหน้าที่เท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเจอในหน้าต่างๆเล่มที่เท่านี้ก็เยอะอยู่นะแต่ทั้งหมดพอพลิกกลับไปเนี่ยมันจะเป็นสาวพภาษิทธิ์หมดเลยจะลองให้ดูตัวอย่างนะ ให้ดูตัวอย่างของลักษณะของสาวกพาสิทธ์ในเรื่องของชื่อสิทธัต ถ, ถะนะเราสแกนแล้วก็เจอหกสิบแปดหน้าน ะ, น ะ, อ, ะอยู่ในเล่ม32สองกับส3สาม กดเข้าไปดูอที่เป็นแถบสีเทานี่เพราะว่าอันไหนดูแล้วตรวจแล้วปุ๊บมันจะคาดแถบสีเทาให้ก็นั่งไล่ดูเช็คไปทุกอันเลยเนี่ยก็ออกมาเยอะสิทัศน์ฐาทั้งนั้นเลยสิทัศน์สีทัศน์สีทัศน์ฐาจนถึงเล่มที่สามสิบสามนะเราดึงมาดูเล่มหนึ่งนะงดึงเล่ม น, นี้มาดู นี่คือลักษณะของคำแต่งใหม่ว่าด้วยผลแห่งการว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัวอยู่ๆก็ลอยขึ้นมาเลยว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคนามว่าสิทธัตถะเชื้ทบุรุษของโลกผู้คงที่ทรงประกาศสัจจะยางสัตทั้งหลายให้ดับอยู่เรานำดอกบัวซึ่งเกิดในน้ำเป็นคือแต่งดีนะแต่ไม่ใช่คำบู้ า, านะแต่งดูดีทั้งนั้นเลยเวลาเราไปอ่านมันก็ธรรมะนี่อะไรเนี่ย พระเจ้าจึงบอกว่านักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาปรนมมอักษสรสลักสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรน ะ, ะก็ไม่เอาหมดเลยนะ <c oughs> และสุดท้ายเนี่ยเราไปเราไปอ่านเราต้องอ่านให้จบนะพอสุดท้ายปุ๊บเนี่ยทราบว่าท่านพระปุภาชัดติยะเถระได้กล่าวคาถานี้คาถาเหล่านี้ด้วยประการชนินี่ ก็จะมีแบบนี้ทุกอันเลยนะก็จะเปลี่ยนชื่อกันไปนะเช่นถ้าเราไปดูใหม่นะไปดูอีกอันหนึ่งนะดึงอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะบูชาด้วยดอกผักตบนะมาอีกแล้วนะอันนี้ก็คนนี้ก็เขบอกว่านะก็บูชาด้วยผักตบนะพอจบแล้วก็นะท่านพระอุ ม, มาปุกเพียเถละได้กล่าวคาถ า, าเหล่านี้ด้วยประการชานี ก็เปลี่ยนชื่อเถระคนนั่นคนนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะอ่าหกสิบกว่าหน้านะอืมก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งสิ้น้วไม่มีเลยว่าอยู่ในดูก่อนภิสุทั้งหลายอย่างนี้เนี่ยนี่คือลักษณะคำแต่งใหม่นะอไปดูอีกอ่าผลแห่งสัญญาในพระพุทธเจ้า น, นี่แต่งเองทั้งนั้นนะ ในอากาศไม่มีรอยเท้าเราได้เห็นพระชินเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะนะเสด็จไปสู่หมูไตรทิพทางอากาศเรามีความปลื้มใจเปน็นอันมากไล่ไปท่านพระคาถสัญญาเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้แล้วด้วยประการชนีเป็นอย่างนี้ทุกอันก็จะเป็นชื่อเถระคนนั้นเถระคนนี้พูดเถระแต่ไม่มีของพุทโธชนะนะ เนี่ยลักษณะนี้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีมากเลยเกินมากกว่าครึ่งหนึ่งนะอ่าดังนั้นเวลาหน้าปกของเ้าเนี่ยเขาก็แยกไว้แล้วว่าพระสูตรและอัตคถาอัตคถาหรือพูดอย่างคําพระศัสดาก็คือสาวกภาสิตาสาวกพาสิดขึ้นนะก็คําเหมือนดูดีอะ่ะแต่มันไม่ใช่สัจจะนะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ชื่อว่าสิทธะเนี่ยมันอยู่ในคำกลุ่มคําพวกนี้ทั้งนั้นเลย แล้วก็ไม่เจอนะอ่านะซึ่งชื่อที่พระศาสดาชื่อพระศาสดาของเราเองที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยก็จะมีเช่นสีหะราชาสีนะตะถาคตนะที่พระองค์บอกไว้เองมีประมาณสิบกว่าชื่อเองนะวันนี้เป็นชื่อแทนตถาคตานนี้ทำไมคนทั้งหลายถึงได้ขนานนามเราว่าตถาคตนะอย่างนี้อ่านะ <c oughs> พอท่านรู้อริยสัจพอท่านรู้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พ ร, ร, ระองค์จะบอกเหตุผลแม้แต่ชื่อเห็นนะเนี่ยก็จะมีชัดเจนหมดนะแต่แต่อย่างนี้ก็คือลอยๆมาเฉยๆนะอัตมาเองก็ใช้ตรงนี้มานานเห็นไหมดังนั้นณะนะวันนี้ที่เราใช้ทุกอย่างอยู่เนี่ยเราก็ใช้จากครูอาจารย์ที่จำจำมาเพราะนั้นะนะตรวจเรื่อยๆตรวจเรื่อยๆค่อยๆวางวางไปอันไหนตรวจเจอก็าวางไปนะ พวกเราทุกคนก็สามารถสืบพ้นเองได้นะมีโปรแกรมตัวนี้นะเราจะจะเห็นประจักษ์ด้วยตนเองนะเราจะเข้าใจว่าอ๋อพระไตรปิฎกเป็นอย่างนี้เวลาเขาพูดถึงมันไม่ใช่ถูกต้องทั้งหมดนะไม่ใช่คําพระเจ้าทั้งหมดมันมีคําแต่งใหม่เนะี่ยปนอยู่ปนอยู่แต่หลักในการสังเคราะนี่นะตัวหัวหลักเนี่ยเขาก็าบอกว่าเขาจะเอาแต่คำประพฤติเจ้า แต่พอมันรวมเป็นเล่มปุ๊บมีคำแต่งใหม่ผลเข้าไปอยู่ด้วยทุกเล่มเลยนี่มันเป็นปัญหาอย่างนี้จึงต้องมีการทำหนังสือพุทธประนะออกมาเพื่อดึงเพื่อแยกคำศาสนาของเราออกมาชัดเจนแล้วก็เอาคำแต่งใหม่ออกไปอย่างนี้ในคำแต่งใหม่เนี่ยมันก็จะสับสนนะคือพระณวันนี้เนี่ยปานั่งเรียนคำแต่งใหม่พวกนี้ทั้งหมดเลยนะจึงทำให้พระสอนไม่เหมือนกันนะ คำแต่งใหม่เหล่านี้จะมีในเรื่องของคำว่าคานิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิก็อยู่ในคำแต่งใหม่นในเรื่องของไปเทศโปรดมารดาชันดาวดึงเรื่องตักบาทเทโวเรื่องของพระอุปคุดเรื่องของแม่ธรณีบีบมวยผมเรื่องการที่พระอานนท์ไปทาน้ำมนตก็บอกพระสังคีติกาจารลดจนาไว้ว่าแต่ไม่รู้ไม่รู้ชื่อใคร แต่เป็นอาจารย์ในยุคหนึ่งรจนาไว้อย่างนี้นะแล้วก็บอกพระอนุนเนี่ยอุ้มบาตรของพระพุทธเจ้าไปเอาน้ำไปลดไปพรมในเมืองะะราชคลึกคนก็เอาหลักฐานตรงนี้มาบอกนี่งามีพรมน้ำมนต์เห็นไหมดีแต่เป็นสาวกภาสิทธิ์เห็นนะซึ่งมันจะขัดกับตถาพสิทธิ์ <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัมปันศีลาว่าห้ามภิกษุทาน้ำมนบูชาไฟอย่างนี้อ่า บนขอลาบผลต่อเทวดาวงสูงแก้บนสอนมนกันผีบ้านเรือนนะทำพิธีปลูกเรือนนะอย่างนี้ดูหมอดูเลิกดูยามสะดอกเคราะปลูกเสกนะก็ทําให้คำผู้เจ้าขัดกันพอคนไปคิดว่าคําแต่งใหม่ใช่ถูกต้องก็จะไปเกิดขัดแย้งกับคําพผู้เจ้านี่คือลักษณะคําแต่งใหม่นอกจากขัดแย้งกันเองแล้วจะขัดแย้งกับคําศาสนาด้วยเพราะเหตุว่า ผู้ที่ต่ำกว่าผู้เจ้าเนี่ยไม่ได้กําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดนะคํามันขัดแย้งกันเพราะมีผู้เจ้าคนเดียวที่ทําคําได้ไม่ขัดแย้งกันทางชีวิตและคํำผู้เจ้าเป็นอากาลิโกซึ่งไม่มีใครทําได้ว่าพูดแล้วทุกคําพูดเป็นอากาลิโกตลอดนะพูดทีเดียวด้วยอย่างนี้นะนี่คือความสามารถของพระาศาสดาของเราเนี่ยถ้าเราศึกษาไปเราจะเข้าใจนะความเป็นพระตปิฎก คำว่าพระไตรปิฎกนี่ก็มาทีหลังนะเดิมเนี่ยเขาจำเฉพาะธรรมและวินยัยนดะังนั้นพระไตรปิฎกเนี่ยโครงสร้างก็คือมีวินัยปฎกแปดเล่มสุตตันตปิฎกยี่พาเล่มมีอภิธรรมปฎกสิบสเล่มอภิธรรมปฎกสิบสเล่มเนี่ยแต่งใหม่นะเพราะนั้นอภิธรรมปฎกเนี่ยวางไว้ก่อนส่วนในวินัยปิฎก8ดเล่มกับสุตตันตยี่าเล่มก็มีทั้งแต่งใหม่แล้วก็คำพระเจ้าปนอยู่ในนั้นนะนี่มันเป็นอย่างนี้ ดังนั้นเวลาอ่านพระไตรปิฎกก็ต้องแยกแยะในโปรแกรมตัวนี้ก็ยังไม่ได้แยกเอาไว้ยังก็ต้องไปแยกเองนั่งไล่ดูอย่างเนี้ยดังนั้นเวลาสืบค้นเจอคำคำหนึ่งต้องอ่านให้จบทั้งประสูตรว่าตัวต้นหัวมีไหมพระสังคีติ迦อาจารย์รจนาไว้ว่าอ่าบางทีท้ายไม่มีไปมีตรงหัวบางทีหัวไม่มีมามีตรงท้ายว่าพระชื่อนี้นะเถระนี้รจนาไว้อย่างนี้นะก็ให้พวกเราเข้าใจ อร์พวกนี้มันก็ได้ประโยชน์ตรงนี้นะนได้ให้เราเห็นได้ชัด น, นะ <c oughs> มีใครสงสัยในประเด็นอะไรไม่เชิญได้นะ เ จ, เจอเจอมนุษย์อุตระกรุษธวีบบอกว่าไม่ไม่ทุกข์ไม่มีความโวงแหนและก็อายุเสมอกันมีอายุที่แน่นอนใช่ครับ<ด>อันนี้มผมไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าถ้าพูดขงมนุษย์ในที่นี้เนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้ครับจ<ช>ังครับเพื่อบาอย่าถึงอะไรนครับใช่ก็คือต้องมีมีมนุษย์อีกหลายประเภทนะแต่เราก็ไปไปเช็ค มนุษย์แต่ละประเภทนะไม่ไม่เจอรายละเอียดนะนั่นก็คือหนึ่งเป็นมุมได้ว่ า, าผู้เจ้าต้องการให้เรารู้แค่นี้นะหรืออีกมุมหนึ่งเนี่ยที่ไปเจอที่มีมีคนอื่นเจอเนี่ยในช่วงของ <c oughs> ที่ผู้เจ้าบอกการการกำเนิดของจักรวาลแล้วก็การล่มสลายไป บางคราวโลกเจริญขึ้นบางคราวก็เสื่อมสลายนะสัตว์ทั้งหลายไปเกิดในอาภาัสระพอคราวเจริญขึ้นมาก็กลับมาเกิดในหูมมนุษย์ใหม่แต่การกลับมาเกิดเนี่ยช่วงนั้นเนี่ ย, ม น, ย, นยมนุษย์เนี่ยไปได้ในอากาศนะแล้วก็มีความละเอียดมีแสงสว่างในตัวเองทีงนี้ไม่รู้ว่ากุฏลักกุลทวีพวกเนี่ยเป็นมนุษย์ในระยะนั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นอยู่ณนะปัจจุบันที่มี ที่มีอยู่แต่อยู่ใน อ, อีก อ, อีกโลกหนึ่งอะไรอย่างนี้นะซึ่งเป็นได้สองไ ny ะนะถ้าเป็นไ n ยะของระยะเวลานั่นก็คือมนุษย์พวกนี้ก็คือจะหมดไปจะมีเกิดมาเฉพาะเป็นช่วงๆช่วงๆของการที่โลกจเจริญและโลกเสื่อมสลายซึ่งก็คือนานมากกว่าจะเวียนกลับมาอีกทีหนึ่งอย่างนี้ก็ ส่วนในในคำภาษาไทยตรงคำว่าทวีปเนี่ยก็ก็ไปเติมกันเอาเองเอีกเหมือนกันแต่ในบาลีไม่มีนะในบาลีจะมีชมพูทวีปนะอันอื่นก็จะเป็นอุตรกลุลุนะอัม马โคยานะละปุกพาวิเทห์เนะี่ยลักษณะปุกพาวิเทหนะก็ก็เลยเป็นไปได้ว่าเมื่อไม่ได้มีคำว่าทวีปเนี่ยลักษณะในช่วงของมนุษย์เป็นไปได้ว่าเป็นช่วงของ ระยะเวลาที่มันผ่านไปแล้วก็มีซึ่งไม่ได้เหมือนไม่ได้มีที่ตั้งอาศัยอยู่อย่างเนี้น ะ, นะมันมันเป็นเรื่องยากมากเลยที่ที่คนคนหนึ่งจะอธิบายอะไรได้ได้ทุกเรื่องนะและสมมติถ้าความจริงมันเป็นอย่างนี้ เราจะพูดยังไงให้มันพูดแล้วไม่ผิดใช่ไหมก็ต้องมีการพูดหยุดไว้แค่นี้พูดลงรายละเอียดไม่ลงอะไรอย่างเนี้ยจะมีเงื่อนงำมหมดในการที่พระองค์หยุดไว้แค่นี้แค่ไหนและลงรายละเอียดแค่ไหนอย่างเนี้ยนะอ่าเพือเพือ่ อ, อนดูแล้วเนาะเลยเลยเลยทําให้คิดว่าเหมือนอย่างพุทเจ้าเป็นศูนย์การจักรวาลานะไรจ้าฮะแบบรู้ทั้งหมดรู้ทั้งหม ด, หมดเลยใช่อธิบายได้ทั้งหมด ยมชาติเอ่อยมอันนนมาเลเซียเป็นยังไงนะ <c oughs> เล่าเล่าให้หมูกันนะฟังอีกทีสิ <c oughs> จำไม่ได้แล้วนะรู้แต่ว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะคือเรานคือเป็นคนไทยที่ไปอยู่ในมาเลเซียตั้งอายุส8บแปดปีนแ ล, <ừ. S 2> แล้วเป็นเชื้อสายจีนอ<า>่ะคือวันเกิดเ็าอยู่ภูเก็ตแล้ว <ừ. S 2> ก็ไป ทํางานอยู่ที่มาเลเซียแล้วก็มีครอบครัวในมาเลเซีย mm. ตอนนี้ก็อายุประมาณสัก60ปีครับ mm. ทีนี้พอียกแกก็คือเมื่อก่อนก็คือนับถือพัดจีนอะไรพวกนี้นะที่ mm. บ้านก็มีพวกาบอกใหญ่วกว่าสามเจ้า อ, อะไรพีงพร mm. พวกอะไรพวกนี้นะ mm. แล้วตาราก็มี พ, พวกของผู้บริจารพวกหลวงู่ต่างๆอยางเงี้ย mm. าธาแลวก็ไปชอบไปนั่งคุศาสนาในถ้ำในอะไรเงี้ยทีนี้บางบังเอิญเก็บก็เสิ้อหาแล้วก็มาฟัง คำสอนของพู้อาจารสเนี่ยฮะน่สนุกรอะไ่ห้องน้ำแล้วฟังแล้วเทเดียวกเลยฮะเพรแกสแบบทีนี้ก็ใช้วิธีว่าโหลดคำสอนทางพุทธพัจนะเนี่ยจากที่วัดเยนะคือไปเข้าไปในแฟ้มแล้วก็ไปอ่านให้กับพนักงานในบริษัทฟังโดยชิบแป่เป็นภาษาจีนคืออ่านได้ฟังทุกเช้าเลยนะแล้วก็ใช้เวลาว่างก็คือไปสัมทนากับ พระที่เป็นมหายันนะพระจีนที่อยู่ในมาเลเซียออโดยที่วิธีที่ว่าเอาพุทธะเนี่ยไปยันเดี๋ยวทางฝ่ายมหายันก็เอาทางพม่ามายัน อ, อไม่ใช่ไม่ต้องมายันกันคือเลยพอดีเลยบอกที่บ้านของโยมันนนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีว่าพวกตำราต่างๆนี่ก็เลยเอาออกหมดเลยพัดเครื่อนพระอะไรพวกพระจินอะไรเนี่ยเรืองออกหมดเลยไม่ยึดอะไรเลยพวก เป็นหมอพระสมเด็จท่านบออท่วนในวันนี้แจกเขาหมดเลยคือไมาเขาอาไปลไม่ยึดอยู่แล้วก็พอีจังหวะก็อยากได้ตำรากับไอซีดีแถมซดีไปยแผงด้วยก็เลยก็ไปหาที่สงขาก็หาไม่ได้แล้วมาที่พอดีวันนั้นเขาจะมาเยี่ยมแม่ที่ภูเก็ตแล้วก็ชุกจุดจีนแล้วก็ไปหาที่ภูเก็ตก็ไม่ไม่ได้แล้วก็ดีพอดีรูจากมุดเนี่ยแล้ววัน้่านที่ชายที่จังหัดทังงาที่เปิดไทยเหือเนี่ยร ทัดเพตัดเนี่ยแล้วก็ตอนแรกครั้งแรกมาเนี่ยมาไม่ร้านเปิดยังไม่เปิดแล้วกลับไปค่อยวันก็ไม่แล้ว ว, วันี้เมืนั้นผมอยู่คนที่ใครก็ได้คุยกันได้สัมทนากันก็เล่าเรื่องหลังให้ฟังแล้วก็ให้หนังสือไว้ครบสิบเล่มแล้วก็ให้แผ่นดีๆไปหลายสิบแผน่นนะให้ปแปลแตลให้คนไทยในมาเลเซียอะไรเงี้ยให้ ว, วัดไทย เขาก็ฝังมาทำบุญด้วยอะไรเงี้ยทำบุญเป็นมงกุฎมาที่ดีด้วยนึกว่าทางนักแกหนักแน่นมากฮนะเพราะเรื่องยึดมันัางพุทนาสแต่งที่หลตอนนี้เป็นคนเดียวในมาเลเซียนะ้าที่ลงส่งตัวไเมื่อคืนก็มีใหมคนนะชื่อออร่าไทยมาเลเซี ย, ดยเดียวกันเีวยกันนว่าเป็นบ้านเดียวกันนึกว่าบ้านเดียวกัน เขาก็เมาไปให้โทรไปให้หลานไม่เห็นเาให้อให้เมาบอกว่าไม่ใช่นละครเลยใช่ใช่แล้วก็โทรเข้ามาด้วยจากมาเลเซียก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะที่พอมีความอย่างลงมั่นในคำตถาคตคือพออ่านไปฟังไปศึกษาไปมากมากปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าเนี่ยคือคำพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครพูดได้ละเอียดละออ แยบคายลึกซึ้งขนาดนี้บอกตั้งแต่มาทําเป็นพุทธเจ้าตัวเองนี่เบาขึ้นเยอะเลยนะไม่ยองหนักเลยตอนนี้หรือว่าจิตใจสบายคือ uh huh. ไม่ยึดถืออะไรเลยไป uh huh. ไหนก็แบบไม่ต้องกังวเลเ่ย uh huh. นั้นเราจะมีที่พึ่งหนึ่งเดียวคือพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แหละนะจะไม่มีสารณะอื่นหนะึ่งซึ่งพุทธเจ้าก็บอกคนส่วนใหญ่ก็ มนุษย์เป็นนั้นมากเนี่ยเมื่อถูกภัยหรือความโกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอาภ <c oughs> ูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุ่งขจีดีบ้างเป็นสารณะบอกนั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเข้าอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกได้นะดังนั้นถ้าเราต้องการจะหลุดพ้นจากทุกจริงจริงเนี่ยนะพระองค์ให้เราพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะนะเป็นที่พึ่งที่ยึดถือ ธรรมะที่ออกจากปากของพระองค์ก็อย่างที่พระองค์ตัดกับพระอนนท์อนนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปของเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมะเนี่ยเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ต้องพึ่งตนเองธรรมะตัวธรรมะ ก็คือธรรมะที่ใครค้นคว้าขึ้นมาได้คือพระพุทธเจ้าเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดธรรมะที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตเป็นโอรสอันเกิดจากปากตถาคตเป็นทายาทโดยธรรมเนรมิตรโดยธรรมดังนั้นพระก็ต้องเป็นทายาทด้วยการพูดคาพระศัสดาประกาศออกไป มันก็จะทําให้เสมือนหนึ่งว่าโยมได้ฟังจากพระศาสดาโดยตรงน ะ, ะเหมือนเราเกิดทันพระพุทธเจ้าดีไห ม, มก็น่าจะดีใช่ไหมตอนนี้เกิดไม่ทันก็คือใช้คําพระองค์นี่แหละนะถ่ายทอดคําพระองค์ไปตรงๆต้องเชื่อมั่นว่าใครได้ยินได้ฟังคําพระองค์เนี่ยคือดีที่สุดนะอย่างนี้ถ้าเรามีความเชื่อมั่นอย่างนี้ปุ๊บเราจะกล้าที่จะประกาศคําพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนะเมื่อเรามีความ มั่นคงอย่างนี้เราก็จะกล้าที่ทําตําราของพระพุทธเจ้าขึ้นมาคือรวบรวมคําพุทธเจ้าเท่านั้นใครเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้แหละนะแต่ให้เธอลองไปอ่านเถอะนะให้เธอลองไปฟังเถอะเดี๋ยวเข้าใจแน่นอนนะเราต้องเชื่อขนาดนี้พอเชื่อขนาดนี้ปุ๊บเราก็จะวางคําคนอื่นโดยอัตโนมัติเลยนะจะเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาและเมื่อเราเสร็จครบไปมากมาก ม, าก ม, ากมากเนี่ยเราจะ เป็นพยานในตนเองเลยว่าโอ้ไม่มีคําของใครเนี่ยลึกซึ้งประณีตละเอียดละอ่อนเท่านี้คําระพุทธเจ้าจะไพเลาะสละสลวยเป็นระเบียบพระองค์เรียกว่าคําผู้พระองค์เนี่ยเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำนะแต่ถ้าใครยังเสพครบไม่มากจะมองไม่ออกแต่ลองอ่านไปนะถ้ายังมากไม่พอลองอ่านไปฟังไปฟังไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยโอ้คำพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหมือนกันหนังสือพบภูมิหรือหนังสือเล่มเล็กๆทุกเล่มเนี่ยอย่าลองอ่านซ้ําๆมากๆ จะเริ่มจับแบบฟอร์มคําพูดของผู้เจ้าได้ผู้เจ้าเนี่ยจะพูดเป็นแบบฟอร์มเลยนะพรงจึงเรียกเป็นระเบียบแผงถ้อยคํานะดึงตรงนี้ออกหยิบตรงนี้ใส่คําพูดจะเรียงร้อยกันหมดทั้งชีวิตเป็นคนเดียวมนุษย์คนเดียวที่ทําได้ในโลกนะเราจะรู้ว่าที่ผู้เจ้าพูดเนี่ยไม่ได้เกินเลยไปเลยนะว่าคําพูดพระองค์เนี่ยไม่มีการขัดแย้งกันเป็นอากาลิโกนะและกําหนดสมาธิทุกครั้งแรนในการพูดจนเราสามารถท่องจาําคําผู้เจ้าได้ทุกคํา แต่เราไม่สามารถไปท่องจำคำสาวกได้เพราะมันจะมีคำพูดที่ฟั่นเฟือคำพูดที่เป็นแบบปุถุชนทั่วๆไปปะปนกันอยู่ในคำพูดเต็มไปหมดนะอาตมาเองก็มีคำสอนไม่ได้มีคำพูดเองไม่ได้ก็จะต้องใช้การทรงจำคำของตาตาคตให้มากที่สุดสิ่งใดที่อาตมาพูดเองมันจะมีข้อผิดอยู่ในนั้นแฝงไว้สาวกทุกคนมันจะมีข้อผิดนะ แถ้าเราสาวกเราทุกคนทำได้อย่างนี้ศาสนาจะเป็นหนึ่งเดียวกันนะเราจะไม่มีสายไม่มีนิ ก, กายไม่มีอะไรนะทุกคนจะไปที่ไหนก็จะได้ฟังแต่คำพระตถาคตตั้งสิน้นอย่างนี้ขอการค่ะะอาจารย์อัณฑถทาำหน้าหนึ่งร้อยสิบแปดค่ ะ, ะ อ, อ, อ๋อสินย้าค่ะสินห้า่ะรอออ ปานาติปาตาเวลามณีเธอนั้นล้าปานาติบาตเป็นข้าจากปาณาติบาตวางท่านไม้และสัตว์ตาเสียแล้วมีความละอายถึงความเอนดูกะลุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่อธินนาธานาเวละมณีเธอนั้นล้อธินนาทานเป็นข้าจากอธินนาทาน ถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่คาเมสุมิชาจาราเวละมานีเธอนั้นละการประพฤติผิดในกามเป็นขาดจากการประพฤติผิดในกามในหญิงซึ่งมารดารักษาปิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันทารักษา เป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในสินไหมโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นมุสาวาทาเวรมณีเธอนั้นละมุสาวาตเ็นขาดจากมุสาวาพูดแต่ความจริงรักษาความสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แก้งกล่าวให้ผิดต่อโลก สุราเมสสุราเมระยะมัชฌประมาณสถานาเวลมณีเธอนั้นเว้นขาดจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทพระอาจารย์คะคําว่าวางท่อนไม้และสัตราเสียแล้วหมายความว่าอย่างไงคะก็วางท่อนไม้วางสัตราคือตัวปานาธิปะเนี่ยบางทีเราจะ ฆ่าสัตว์เราก็ต้องหาท่อนไม้ไปทุกมันนะเราจะตีงูอย่างนี้นะเราก็หาท่อนไม้นะแต่พอมาละลึกถึงสินข้อที่หนึ่งก็วางท่อนไม้ดีกว่านะหรือวางสัตว์าเนี่ยเราจะเชือดปลาสักตัวนะ <c oughs> นะแล้วก็วางสัตว์าเสร็จแล้วนะก็มีความละอายถึงความเอนดะูกรุณาปล่อยมันเถอะนะอย่างนะีนะ้นะขอบคุณค่ะ แม้แต่ในสินข้อหนึ่งก็มีความแยบไายจะมีความลึกหนึ่งลึกลงไปเช่นว่ามีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิตน ะ, อ, ะอย่างถ้าคนที่ที่มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตตลอดเนี่ยผู้เจ้าบอกเนี่ยนรกกำเนิดในฌานปรติสัเนียแล้วก็จะมีเบาๆบาบาเขึ้นไปเรื่อยๆน ะ, ะไม่ได้ทํามากไม่ได้ทําบ่อยอย่างนี้ก็จะวิบากอย่างเบาก็คือแค่าอายุสัน้นะนะเช่น ะอาจารย์เจ้าค่ะลุกขอโอกาสในการที่เราทำบุญหรือทนทานเจ้าค่ะทานแบบไหนที่จะทำให้เราได้กุศลสูงที่สุดเจ้าค่ะอ๋ อ, อ <c oughs> การทําทานนะมันจะตรงกับที่ ภาษาลิบุตรถามพระพุทธเจ้าหรือเปล่าว่าเนี่ยหนังสือพพูมิจะมีนะว่าอ่าพอข้าแต่พวกผู้เจริญ น, นะทำทานอย่างไรจึงจะเกิดผลใหญ่นะและอ น, นิสง์ใหญ่ทําทานอย่างไรเนี่ยได้ผลใหญ่แต่ไม่มีอ น, นิสง์ใหญ่นะถ้าจะเป็นอย่างนี้คือได้ทั้งผลใหญ่และอ น, นิสง์ใหญ่เนี่ย พระองค์ชี้ไปที่การวางจิตในการให้ทานว่าพระองค์ก็จำแนกไปเลยว่าเป็นการให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายุดยานระเบียบของหอมเครื่องรูร้ายที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโมไฟก็ให้เยอะๆเลยนะสรารภาพจิปาถะแต่วางจิตยังไงพวกแรกเนี่ยวางจิตก็คื อ, อหวังผลในทานมีจิตปลุกพันในผลมุ่งการสังสมคิดว่า เราตายไปจักได้สวยผลของท่นนี้พวกนี้จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่ได้อนิสงใหญ่ผลใหญ่คือจะทําให้เข้าไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกะแต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็กลับมาสู่ความเป็นอยนี้กลับมาสู่สังสา ร, รัตเหมือนเดิมเข้าสู่นรกกัมเดดชานเปลวิสัยเหมือนเดิมอย่างนี้อีกพวกจะไม่หวังผลไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมไม่คิดว่าเราตายไปจักได้ส่วนผลของท่นนี้ ไม่คิดแบบนี้แต่คิดว่าให้ทานเป็นการดีก็ขยับขึ้นมาเป็นเทวดาสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะอีกพวกก็คิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทำมานะก็ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอีกพวกก็คิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้เนี่ยให้ทานดีกว่าก็ดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะ อีกพวกหนึ่งก็บอกสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ให้ทานเหมือนพวกฤาษีที่เคยให้ดีกว่าขยบขึ้นมาอีกอีกพวกให้ทานเป็นเครื่องอปลื้มจิตปลื้มใจน ะ, ะเราทําทานแล้วเราจะรู้สึกว่าปิติใจปลื้มใจสุขสมณัตใจพวกนี้ก็ขยบดีขึ้นมานิดหนึ่งแต่ก็ยังเป็นแค่ผลใหญ่ไม่มีอ น, นิสงส์ใหญ่ทีนี้อ น, นิสงส์ใหญ่สุดท้ายเนี่ยผู้เจ้า บอกว่าอย่างไรก็คือให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเครื่องปรุงแต่งจิตทำอย่างไรเราก็ไปหาพระสูตรทียบเคียงนะว่ามีคุณธรรมที่ตัดบอกกับพระโสดาบันในเรื่องของทานด้วยนะซึ่ง <c oughs> พระเราก็ได้ไปสืบค้นเจอนะว่าคนมีทานการให้วางจิตแบบนี้ กับมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นโสดาบันบุคคลนะตรัสไว้กับช่างไม้เขาวางใจยอย่างไรพูุ้ทธเจ้าบอกว่าวางจิตในลักษณะของมีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมลทินมีจาค้าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจาแนกทานอยู่คลองเรือนนะเขาอยู่คลองเรือนแต่เขามีจาคะด้วยการวางจิตละความตรนะี และมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุคคลนี้เป็นโสดาบันบุคคลเห็นไหมดังนั้นการให้ทานเพื่อที่จะให้เกิดผลใหญ่อั น, นิสงสงใ่ก็จะต้องวางจิตอย่างนี้นะและถ้าให้ทานอย่างนี้นะผู้เจ้าบอกจะได้ไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วไม่ต้องเป็นผู้กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องกลับมาอีกหรือสามารถเข้าสู่มรรคนิพพานได้ นี่ก็คืออันนี้สง่ายพอพูดเจ้าค<อ>่ะตอบยาวหน่อยนะเพ่อ <c oughs> จะได้ครบถ้วนเสีย <c> ง <oughs> ดังไหมเอาตัวอื่นก็ได้ตอนดังอยูอ่ขอการครับเมื่อฟังตรงเรื่องขอ ง, งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ ที่หลายคนยึดถือก่อนหน้าที่จะเจอพุทธวจนะนี่ถ้าประมวลตามคำพุทธเจ้าเนี่ยถ้าในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ประมวลแล้วตนเองนี่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดถ้าตนที่มีธรรมคือขออะไรก็ได้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและทุกอย่างเกิดขึ้นได้จากตนเองที่มีธรรมที่มีธรรมใช่กลายเป็นอย่างนั้นเรามองความ ข้ามความสามารถของตัวเองไปแต่เราเอาตัวเองนี่นไปขอ <c oughs> สิทธิ์จริงใช่ซึ่งก็ไม่รู้ด้วยว่าสิ่งสักดิ์สันมีจริงหรือเปล่าใช่ซึ่งถ้าตามที่ผู้เจ้าจัดเนี่ยถ้าพระองค์เป็นสัพพัญญูจริงและเราเชื่อว่าพระองค์เป็นจริงตรัสรู้จริงพระองค์บอกแค่เราเนี่ยเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะมีปัญญา5คุณธรรมเนี่ย บอกเธอปรารถนาอะไรสำเร็จหมดเห็นไหมไม่ต้องไปเสียเวลาพึ่งสิ่งศักดิสิทธิ์ไปนอไม่ต้องไปซื้อของจ่ายตลาดหาของมาเส้นไหว้ขออะไร<ช>ตัวเองเนี่แหละนั่งอยู่บบ้านทำ<ช>่ถ้าข่อนั้นก็ได้แล้วเราได้จริงด้วย<ช>ตามคำพู้เจ้าใช่ถ้าไม่จริงพระเจ้าก็ไม่ตรัสรู้จริง <laughs> <laughs> มันจะย้อนกลับทันทีนะใช่หม พระองค์ไม่ใช่สัพกันอยู่จริงคําพูดพระองค์ถูกเราติเตียนได้ใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าคําพูดขององค์พูดแล้วเนี่ยไม่มีสรณะเทพมารพรมใมใดๆในโลกคัดง้างหรือติเตียนได้เลยเนี่ยคนที่เขาศรัทธาตถาคตจริงเนี่ยเขาจะเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของตถาคตและคําสอนของตถาคต ด, ด้วยเชื่อมั่นในตัวพรูพเจ้าด้วยและคําสอนที่ออกจากปากพระองค์ด้วยนะ Right, ไม่ใช่ dollars, เราเฮ้ยเราศรัทธาพระเจ้าเนี่ยแต่ทต่านสอนอะไรอย่าเพิ่งไปอ่านอย่าเพิ่งไปฟังไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วก็ถ้าทําจริงเราก็พิสูจน์ให้เห็นจริงได้พระเจ้ายินยันว่าสิ่งที่ท่านสอนพิสูจน์เห็นได้ออืใช่ตนเองที่เวลาที่เราปฏิบัติทำอยู่หรือมีธรรมะอยู่ก็พ้นภัยจากมาทุกอย่างด้ยเพื่ออันตรายต่างๆก็พ้นด้วยใช่ออืไม่ต้องไปขอ นึกถึงหลวงพ่อนุนหลวงพ่อนี้หรือเทพนั้นองค์นี้เวลาหรือว่ามีเครื่องรางของขังอะไรเอามาอยู่กับตัวไม่ต้องไปอมพระไม่ต้องไปเขย่าพระปุกพระอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ยังสามารถที่จะขอพวกประซับอื่นๆได้ใช่ตัวเองปัจจุบัติธรรอยู่ใช่มีสมาธิอยู่มีจิตปล่อยวางใช่ก็เป็นที่มาจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นที่มาของสรรพสิ่งทั้งหมดเลยที่ตัวเองอยากจะได้ นั้นประเด็นตรงนี้ก็คือถ้าเราต้องการพ้นภัยจากมารมารคือความตายมารคือเทวดาที่มีมิจฉาทิตฐิมารคืออคุศลต่างๆให้เราทำยังไงพระพุทธเจ้าบอกให้เธอเนี่ยเข้าปฐมฌานนะหรือตั้งไว้ซึ่งกายยาคตาสติเอาจิตตั้งอยู่กับกายเขาไว้ตัวกายเนี่ยเป็นภพนะอันเป็นที่หลบภัยแห่งมาร ซึ่งจะเป็นมารเป็นเทวดาเป็นอะไรก็ตามเวลาเกิดการทะเลาะบอกแหวงกันแล้วจะตายขึ้นมาเนี่ยมารหรือเทวดาผู้นี้จะรีบกลับเข้าไปสู่ภพของตนนะแล้วคนอื่นเนี่ยจะทําอันตรายไม่ได้ถ้าเราเอาวิญ ญ, ญาณขันหรือจิตเนี่ยกลับมาสู่ภพของตนคือร่างกายผู้เจ้าบอกมารผู้มีบาปจะทําอันตรายเธอไม่ได้นี่หลักง่ายๆเลยแต่เราไม่เคยใช้ไง เราไปมัวนั่งคิดปุงแต่งนะยิ่งเคลื่อนออกไปเอาจิตเคลื่อนออกไปยิ่งมานิ่งทําอันตรายได้ใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้มอวจิตเคลื่อนไปหาเทพอยู่ขอให้เทพช่วยใช่ไม่รู้ท่านมาทันหรือเปล่าใช่แล้วดีไม่ดีเทพองคนั้นไม่มีจริงอ่ะฮะคือใครปั้นขึ้นมาก็ไม่รู้ใช่เราก็ไปปลูกอะไรก็ไม่ได้ใช่เดมถูกปั้นอยู่ร้านค้าเอามาตั้งที่ศาลตุ๊บศักดิ์สิทธิ์ทันทีเลยน่ะเมื่อกี้ยังอยู่ร้านค้าอยู่เลย ใช่ไหมอย่างนี be, ้ขอเช่ในหนัง huh. ส uh ือภพภูมินิดนึงครับเห็นมีประเด็นว่าเราสามารถปฏิบัติวัดที่เป็นของพระพระอรหันต์ได้นะฮะอย่างเช่นในเรื่องของการทานมื้อเดียวอก็ถือว่าถ้าวันนั้นเราทานมื้อเดียวนั่นก็คือแม้เท่หนึ่งวันนั่นก็คือเรากําลังปฏิบัติวัดของพระอรหันต์อยู่นะฮะนะฮใช่ นทั้งหดในมุงของขยันถามในมุมของทานท่านมือเดียวอทานมือเดียวก็ไม่ใช่ว่าเรากินตอนเช้าเสร็จปุ๊บล้วกิ น, นไปได้อะไรไม่ได้อีกเลยทั้งวั น, นในมุมของผูเจ้กาก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะยังมีสิ่งที่สามารถที่จะกินได้ด้วยอย่างพวกน้ำผลไม้ใช่หรือพวกเนยเนยใสในคนน้ํามันน้ำผึ้งน้ำอ้อยที่เรียกว่าอาหารอันปราณีตนะเป็นยา ในมุมมองของผู้จัดอาหารปลาณีตพวกนี้เป็นยารักษาโรคด้ว ย, ยหรือแม้แต่ผลไม้ก็สามารถที่จะใช่ผ ล, ผลไม้าลากไม้ใบไม้เปลือกไม้กิ่งไม้ดอกไม้มเมล็ดได้หมดเลยส่วนของต้นไม้เนี่ยก็ทานได้ตลอดเวลานะแต่เจตนาเนี่ยขอให้ใช้เป็นยานะเพื่อรักษาโรคและหนึ่งในหนึ่งในอาพาธนะที่เราไปเจอก็คือหิวก็เป็นอาพาธ <laughs> <laughs> เดิมเราพูดกันเล่นเล่นว่าเฮ้อ า, าพาธเพราะหิวสินะแต่หิวของพระเจ้านี่คือร่างกายมันไม่มีไม่มีสารอาหารเข้าไปมันก็จะแย่อย่างเงี้ยทั้งันเวียนหัวจะเป็นลมจะอะไรนี่เราก็สามารถใช้ใช่อาพาธได้ใช่สถานพวกนี้ได้ใช่ใช่เท่านี้ก็สามารถที่จะเป็นดำรงชีวิตอยู่ได้ <laughs> นะคือพระเจ้าไม่ได้โอโหโหด้ายกับเราถึงขนาดว่านะเป็นอัตตกะเรมาฐานยุโยโค นอ่าก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคแค่นั้นเองอนุญาก็ไม่ให้เราทรมานร่างกายด้วยอ่าฮะใช่ถ้าถือวัดอย่างนี้ก็อย่างนี้เราก็ยังดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็ได้ธรรมะไปด้วยปฏิบัติธรรมไปได้ด้วยใช่ใช่ครับขอบคุณครับพอาจารย์ข่าวการครับเพินเพนผมได้ได้คนสองคนในในเวลาเดียวกันเป็นเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งตับ ก็พลังจะคือคื อ, ค อ, เ, อเจ็บป่วยเหมือนกันในเวลาใกล้กันเป็นเพื่อนทั้งคู่นะครับคนหนึ่งเนี่ยก็ามาศึกษาพุทธนะนะครับแล้วเาก็เอาเทปเอาเทปเพลง้เอาเทปพุทธจารไปเปิดไปเปิดในห้องตลอดเวลาแล้วเขาก็ามีสติสัปมปชัญญะรอคอยการตาย <direct S 1> นะครับและคนนี้ลักษณะแบบนี้อีกคนหนึ่งไม่เคยได้ยินได้ควางเลยแล้วก็ไม่สนใจนะครับ แต่คนที่ไม่ยินได้ฟังเนี่ยทุรนทุลายมากเราวกเพิ่งเสียชีวิตไปนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ได้ฟังได้ฟังทฤษฎีน่ะเอาไปเปิดแล้วก็อยู่กระลมหายใจตอนนี้ก็เขาไม่มีไม่มีไม่มีการกลัวความตายแล้วก็เท่าที่สังเกตก็คือว่าเขายังเจ็บปวดอยู่แต่แต่ความผ่องใสในตัวมีหมายถึงว่าดูแล้วเขาเหมือนคนไม่ไม่เจ็บป่วยนะครับเขาบอกว่าเขาอยู่กระลมหายใจตลอด อ่า uh huh. นะครับอันนี้ก็ทําให้เราเห็นว่าเ อ, อถ้าได้ได้เ อ, อได้ได้ยินได้ฟังพุทธนะเนี่ยมันเป็นประโยชน์ตอนนี้จริงๆนะครับได้ได้เห็นมากันตาแล้วค uh huh. นสองคนในเวลาเดียวกันค uh huh. นหนึ่งตายแล้วอีกคนหนึ่งก็ยังยังอยู่อยู่ uh huh. แต่เขาบอกว่าเขาตัวเขาเองเนี่ยเขาเขารู้แล้วว่าเขาคงไม่รอด uh huh. แต่เขาไม่ได้กลัวความตายเลยเขาบอกว่าเขาได้ได้ยินได้ฟังแล้วก็ตอนนี้ก็ร อ, อ ก, การตายอยู่อือ uh ืม huh. uh huh. ดีก็สอดรับกันนนาะก็ ยศแม่ตมาก็อนเนื้อเกือบเท่ากำปั้นอยู่ในหัวนะสมองซีกซ้ายเนี่ยก็ทำให้ซีกขวาเป็นอัมพาตไปก็อาเจียนนะมสี่วันแรกก็ไม่รู้สึกตัวก็ให้น้ำเกลือนะกันไปก็หมอก็พบดูฟิล์มเอ็กซเรย์บอ ก, กไม่น่าเกิน7วันส0วันอะไรตายแน่นอนนะ ก็ทุกคนก็ฟันหมอทุกคนก็ฝันตรงอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ผ่านมาสองเด็จแล้วมันนะผ่านไปก็ไม่ได้รักไปรักษาอะไรนะก็ตายก็ตายก็เพราะว่าหมอส่วนฝั่งหนึ่งก็บอกว่าผ่าก็ไม่รอดเพราะชิ้นมันใหญ่มากอีกฝั่งหนึ่งก็ผ่าเถอะนะแต่ก็ด้วยหลักธรรมาก็ไม่อยากให้โยมก็ต้องไป เจ็บปวดทรมานใส่สงใส่สายอะไรก็ะจะตายก็ตายปกตินะก็อยู่บ้า น, นให้น้ําเกลือไปพี่สาวอะไรก็ดูแลกันไป3มคนหมุนเวียนกันแล้วก็มีผู้ช่วยมีอีกสักสองคนหมุนเวียนพักพ่แล้วก็ปณิบัติดูแลก็กลับเป็นดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆนะอ่าก็พอเริ่มรู้สึกตัวก็ให้พวกน้ำข้าวน้ําต้มอะไรอย่างนี้ อาหารปกติธรรมดาใหก้ก็เริ่มดีขึ้นตอนนี้ก็กลับเป็นว่าซีขวาที่เป็นอัมพาตก็ขยับได้แล้วนะเคลื่อนไดนะ้จากการที่พลิกตัวไม่ได้เลยก็เริ่มพลิกได้นะเริ่มพลิกได้เองเดิมเนี่ยเหมือนจะเป็นแผลกดทับเริ่มเป็นแผลละลนะก็หายละพอเริ่มพลิกตัวเองได้นะแล้วก็เริ่มพูดได้พอเป็นคําบ้างเล็กน้อยนะก็ ดีขึ้นมาตามลำดับเรื่อยๆนะแต่ก็ยังนั่งไม่ได้ทรงตัวไม่ได้แต่ตัวเขาก็ไม่หวั่นไหวนะเราถามว่าภาวนาอยู่ไหมก็ภาวนาอยู่กับลไมไหมอยู่กับลมแล้วก็เปิดพุทธทวารชนะฟังตลอดอย่างนี้นะในวันนี้ก็คงจะดูถ่ายทอดสดด้เหมือนกันนะนก็หาอุปกรณ์อะไรอะไรไปให้เขาได้ฟังได้ดูได้อะไรตลอดนะอยู่กับคาพระสาสดานะ ก็บอกจะไปพาตัดไหมแล้วมันก็ผมไม่เอาก็นอนอย่างนี้แหละตายก็ตายซึ่งโยมยายก็ลักษณะคล้ายๆกันก็ปัวยอยู่กับบ้านนี่แหละนะครับช่วยกันดูแลแล้วก็ตายก็คือตายสงบหลับไปเฉยๆแล้วก็ตายอ้าวตายแล้วหรออย่างนี้นะก็ธรรมชาติดีนะแนะนำนะสาหรับคนที่อยากไปแบบธรรมชาตินะแล้วก็ไปได้ดีนะไม่ทรมาน ไม่ต้องมาเจาะมาอะไรนะสอดสายอะไรล้วก็นะให้อาหารทางสายยางมันก็เจ็บนะเก็จะสอดสายก็จะอะไรแล้วก็เยแม่เป็นคนที่แพ้อะไรง่ายนะกยาอะไรนิดหน่อยก็แพ้อาา่านก็ <c oughs> เลยบอกว่าถ้าไปผ่าดูจะตายเร็วขึ้นนะเพราะว่าจะผ่ามันก็ต้องให้ยาโ น, น้นยานี่ใช่ไหมก็พอดีร่างกายสุดอยู่แล้วก็จะสู้ไม่ไหว กลายเป็นว่าปล่อยธรรมชาติกับดีขึ้นเรื่อยๆเยก็ไม่น่าเชื่อว่าธรรมภาติที่อยู่ขึ้นซีกหายในเวลาไม่กี่สัปดาใช่ไหมด้วยการปล่อยเฉยๆอย่างนี้ก็คงจะด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เขาทำด้วยนะแล้วก็ความที่ไม่เป็นผู้ร้องไห้ขำขวรทุบอกกรัมไห้นะ ก็จิตก็ปกติปกติปตุ๊บร่างกายมันก็รักษาตัวมันเองไปเท่าที่มันพอจะเป็นได้นะ่ะเพราะฉะนั้นความตายมาพลาดๆไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่เป็นไรอย่างนี้นะซึ่งทุกเราพวกเราทุกคนก็ต้องเจอกันนะไม่วันใดก็วันหนึ่งนะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะเจอแบบไหนบ้าง น, นะเป็นตัวอย่างให้เหมือนกับที่ยมอสได้ยกตัวอย่างของนะดัง น, นั้นคำพระศาสดาเนี่ยนะมีประโยชน์นะขอให้ศึกษาไว้เถอนะน่ะ ชาวนี้คงจะเท่านี้กันนะเดี๋ยวจะได้ไปตักอาหารนะเดี๋ยวฟังอนุโมทนา <c oughs> อุท t ปละโ ท, ทีโรวันนาโทปฏิภาณาโทสุขาสาธาตามมตาวีสุขังโสอธิขัตติ อายุทัตตวะพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโททีขาญาสาวาโฮติญาธาญาตุปปาชะติติกาเลททันติสปัญญาวัฒนยูวีตรรมชาลากาเลนาตินังอริเยสุ h u ปุปเตสุตาติสุ วิป um ah ัสสนามานาตัสสาวิปุลาโหติทักขินาเยตัตถะอนุโมทันติเวยาวจังการุติวานาเตนัทขินาโอนาเตปิปุณยาสั a พิโตาสัมาทัตเถอปติวาน a จิตโตญาถาตินังมหพลัง ปุญญานิปัลลโลก็สมิงปัติท่านติปานินันติ